อาจาโรวาทหลวงปู่ศิษย์พุทธาจาโรวัดสันติสังฆารามอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนคร บัดนี้เป็นต้นไปเป็นการฟังธรรมในทางพระพุทธศาสนาพร้อมกันนี้ก็ให้เป็นการปฏิบัติบูชาในทางพระพุทธศาสนาได้แก่นั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งสมาธิเพชรนี้คือให้เอาขาซ้ายมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวา วางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทธโธ 2 การให้นึกพุทธโธนี้เป็นการเจริญพุทธคุณระลึกถึงบุญพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นผู้ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและท่านปรารถนาตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามา คือให้ได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นนับตั้งแต่ตั้งใจได้แล้วเป็นเวลา 4 อสงไขยแสนมหากัปพระพุทธเจ้าโคดมเรานี้จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 3 ให้พากันตั้งจิตเจตนาในใจของตนให้แน่วแน่มั่นคงเพราะว่าไม่มีคนใดจะมาทําจิตใจของเราให้บริสุทธิ์หมดจดดีเท่ากับตัวเราไม่มี 4 พระองค์มุ่งหวังให้คนเราปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ได้มุ่งหวังให้มาติดมาคล้องลุ่มหลงมัวเมาอยู่กับความโกรธความโลภความหลงต้องการให้พวกเราปฏิบัติกายปฏิบัติวาจาปฏิบัติดวงจิตใจของตนด้วยการภาวนามีพุทโธพุทโธเป็นต้นหรืออุบายอื่นใดเมื่อเราเอามานึกมาเจริญแล้วพาให้จิตใจสงบตั้งมั่นจนเกิดปัญญา จนเกิดญาณความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามคันลองครองธรรมเพื่อจะได้ละกิเลสความโกรธโลภหลงอันมีอยู่ในจิตใจของตนนี้ให้หมดสิ้นไปจุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าก็มีอย่างนี้ 5 พระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสมาสอนก็ตามก็สอนให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนา ละกิเลสความโกรธความโลภความหลงอันเก่านี้แหละแต่จิตใจนั้นเป็นของแต่ละบุคคลเมื่อผู้ใดปฏิบัติภาวนาบารมีเต็มแล้วก็รู้แจ้งพระนิพพาน 6 เราทุกคนยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยืนเดินนั่งนอนไปมาได้อยู่จึงให้พากันฝึกฝนตนเอง ให้นั่งขัดสมาธิเพชรให้ได้นึกบริกรรมภาวนาให้ได้รักษาจิตใจให้อยู่ในความสงบประงับเยือกเย็นสบายให้ได้ส่วนกิเลสความโกรธโลภหลงอันใดที่มีอยู่ในใจก็ให้พากันเพียรละเพียรวางเลิกละไปโดยลําดับลําดับ 7 การภาวนาไม่ใช่ของหนักเหมือนแบกไม้หามเสาเป็นของเบาที่สุด นึกภาวนาบทใดข้อใดก็ให้เข้าถึงจิตถึงใจจนจิตใจของใสสะอาดตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่อยู่ภายในจิตในใจของตนใจก็สบายนั่งก็สบายนอนก็สบายยืนไปมาที่ไหนก็สบายทั้งนั้นในตัวคนเรานี้เมื่อจิตใจสบายตายก็พลอยสบายไปด้วยอะไรๆทุกอย่างมันก็สบายไปมันแล้วแต่จิตใจ 8 จิตใจเป็นใหญ่เป็นประธานสําเร็จแล้วด้วยดวงจิตดวงใจคือถ้าใจเอามันได้ทั้งนั้นถ้าใจไม่เอาทานก็เลยไม่ได้อะไรจึงต้องมีวิธีต่างๆนั่งภาวนาบริกรรมตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ให้จิตใจท้อถอยอันนี้เป็นคุณงามความดีในทางพระพุทธศาสนาที่เราจะต้องประกอบกระทําให้เกิดให้มีขึ้น ด้วยการปฏิบัติบูชาภาวนาให้มันจริงแจ้งขึ้นมาในจิตใจ 9 จงเป็นผู้มีสติระลึกอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมขั้นให้ชื่อว่าสติปัฏฐานเมื่อระลึกได้จนเป็นมหาสติปัฏฐานเรียกว่าสติใหญ่ใหญ่จนไม่หลง 10 ผู้ใดรวมใจของตนเข้ามาภายในปัจจุบัน ย่อมถึงซึ่งความไม่งอนแง่นปรแคลนจิตใจที่อ่อนแอท้อแท้จะได้แข็งแรงขึ้นมาด้วยสติความระลึกได้ในการบริกรรมในการฟังธรรม 11 มันคิดอะไรอยู่ในจิตนั้นคิดภาวนาหรือนอกภาวนาคิดภายในกายในจิตหรือคิดภายนอกกายนอกจิตมันคิดอิจฉาพยาบาทคนโน้นคนนี้เกลียดคนโน้นชังคนนี้ ในจิตนี้ก็ให้ระลึกดูให้ได้ผู้มีสติแล้วจิตจะวางเฉยได้อย่างว่าความเกลียดความกลัวความหวาดสะดุ้งขนพองสยองเกล้าอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นถ้ามีสติความระลึกอยู่ไม่หลงไหลออกไปก็ไม่โกรธไม่พยาบาทอาฆาตจองเวรใครในจิตใจที่มีสติปัฐานอยู่นั้นไม่ไปรักใครไม่ไปชังใครไม่ไปดุด่าว่าร้ายให้แก่ใคร ไม่ไปทำร้ายให้แก่ผู้ใดไม่อิจฉาตาร้อนใครเรียกว่ามีสติภาวนาเรื่องของตัวเองอยู่ 12 การภาวนาละกิเลสนั้นต้องเป็นผู้มีสติตั้งจิตตั้งใจอยู่ทุกเวลาจะยืนก็มีสติก่อนยืนยืนอยู่จะเคลื่อนไปจากเวลายืนก็มีสติก่อนจะเดินก็มีสติคําว่ามีสติความระลึกในใจนั้น พร้อมทุกอย่าง 13 คนดีก็เรียกว่าคนมีสติคนไม่ดีก็คนไม่มีสตินั่นเอง 14 อันศีลที่ข้อเว้นนั้นท่านว่าอย่างนั้นเป็นบาปอย่าทําอันข้อห้ามนั้นตัวศีลก็คือว่าขา 2 แขน 2 ศีรษะ 1 กายวาจาจิตนี้เองเป็นตัวศีล 15 ผู้นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาในทางพระพุทธศาสนาขาดสติไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวก็ไม่ได้คําว่าไม่ได้นั้นก็คือเมื่อขาดสติมันก็ขาดสมาธิจิตตั้งมั่นไม่เต็มที่เมื่อจิตตั้งมั่นไม่เต็มที่มันก็ขาดปัญญาความรอบรู้ในกองสังขาร 16 เมื่อภายในมีสติ จิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตก็เกิดปัญญา 17 คุณพระศีรัตนะตรายนี้เปรียบเหมือนร่มไม้ใหญ่ว่าเราไปไหนก็กั้นลมฝนไม่ให้ตกถูกได้แดดร้อนขนาดไหนความร้อนของแดดก็ไม่มาถึงตัวเราด้วยอํานาจภาวนาพุทโธในใจอยู่ที่ไหนไปที่ไหน เหมือนกับว่ามีกำแพง 7 ชั้นคอยปกป้องรักษาอยู่ตลอดเวลา 18 พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นแก่นแห่งพระพุทธศาสนาพระรัตนตรัย 3 ประการนี้แหละจิตใจผู้ใดเลื่อมใสศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญคําว่าเจริญหมายถึงว่าดีขึ้นไม่ใช่เสื่อมลงไป 19 อันพระวินัยสัตถุศาสนาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมะปฏิบัติผู้ใดปฏิบัติรวมจิตใจของตนให้มาสงบระงับตั้งมั่นได้ก็จะรู้จักเข้าใจในจิตใจของตนเองว่าใจของเราสบายทั้งรู้ใจไม่สบายก็จะได้รู้ 20 อันกิเลสในใจมนุษย์คนเราทุกๆคนนั้นผู้อื่นจะไปละไปถอนไปปล่อยวางให้ไม่ได้ ผู้อื่นทำเพียงแต่ว่าแนะนำตักเตือนผู้จะปฏิบัติจริงๆก็คือจิตใจของเราทุกคนนั่นเองตั้งใจบริกรรมภาวนาทําใจให้ตั้งมั่น 21 ถ้าจิตใจมาสงบตั้งมั่นดวงจิตรู้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นนั่งสมาธิภาวนาอยู่ที่ไหนมีความสงบระงับตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจเมื่อมาสงบตั้งมั่นอยู่ในใจได้แล้ว อะไรๆก็มารวมในใจนั้นเองเราต้องการความสงบความสงบก็อยู่ที่ใจผู้รู้นั่นแหละปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงก็ไม่ได้มีอยู่ในที่อื่นก็มีอยู่ที่จิตใจของผู้รู้นั่นเองอะไร 22 ความจริงกรรมฐานทั้งหลายนั้นอะไรก็มีอยู่ในตัวเราทุกคนนั่นแหละร่างกายสังขารนี้ท่านว่าอาการ 32 นี้ผมขน เล็บฟันหนังเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำหนองในร่างกายสังขารนี้เต็มไปหมดในตัวเราทุกคนนี้แหละก้อนอสุภกรรมฐานก็อยู่ในที่นี้ 23 พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพุทโธนั้นผู้ใดรำลึกยังมีชีวิตอยู่ก็มีความสุขกายใจแม้ชีวิตดับไปแล้วผู้เลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้านั้น จะต้องตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์เทวโลกอย่างต่ำไม่ต่ำกว่านั้นลงมาด้วยอํานาจคุณพระพุทธเจ้า 24 ให้เราทุกคนยืนก็ภาวนาพุทโธในใจได้เดินไปมาที่ไหนไปรถไปเรือไปเหนือไปใต้ก็ภาวนาพุทโธอยู่ในใจพุทโธนี้ได้ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอน 25 เมื่อใจของเราอยู่ในพุทธโธคุณพระพุทธเจ้าย่อมมีความสุขจิตสุขใจเมื่อใจมีความสุขตายก็ชื่อว่ามีความสุขไม่มีทุกข์ภัยอันใดเกิดขึ้นคุณพระพุทธเจ้าที่เราภาวนาอยู่จึงเป็นคุณงามความดีประดับประดากายวาจาจิตของเราทุกคน จึงให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้มีความท้อถอย 26 เมืองไทยประเทศไทยนี้เป็นเมืองพระพุทธศาสนาไม่ว่าใครได้มาเกิดเมืองไทยได้มาอยู่เมืองไทยชื่อว่าเป็นคนที่อยู่ในประเทศอันสมควรประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจําชาติไทยไม่ว่าคนไทยจะไปอยู่ที่ไหนไปที่ไหนพระศาสนาศาสดาของพระพุทธเจ้าก็จะมีอยู่ในจิตใจของคนไทยตลอดไปจะมีแต่ความอยู่เย็นเป็นสุขความทุกข์ความร้อนจะหายไปหมดไปความสุขกายสบายใจมีทั้งทรัพย์สินเงินทองวัตถุของก็จะไหลมาเทมา 27 มรณะกรรมฐานนี้ พระองค์กำชับนักหนาว่าสาวกทั้งหลายท่านทั้งหลายจงนึกภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกแม้เราตะทาคตก็นึกถึงมรณะความตายได้ทุกลมหายใจเข้าออก 28 มรณังเมภวิสติอุบายธรรมข้อนี้พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เตือนพุทธบิสัตต์พุทธสาวกในครั้งพุทธกาลว่า ให้ท่านทั้งหลายจงกำหนดความตายนี้ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออก 29 เราจะต้องตายหนีความตายไปไม่พ้นใครจะหลบหลีกไปอยู่ที่ไหนทำอะไรมีอะไรแก้ไขไม่ให้ความตายมาถึงตัวในช่วงภายใน 100 ปีนี้ดูจะเป็นไปไม่ได้ 30 ความตายนี้มันไล่ติดตามตัวเราอยู่เสมอ ท่านเปรียบอุปมาเหมือนหมาไล่เนื้อตามทันที่ไหนมันก็กัดเอาให้เนื้อนั้นตายฉันใดมรณะความตายที่ตามเราทั้งหลายมาตั้งแต่เกิดเกิดมาแล้วมันตายมันไล่มาเท่ากันกับว่าเนื้อมันยังแข็งแรงอยู่สุนัขมันไล่ยังไม่ทันมันทันที่ไหนก็เอาเนื้อนั้นตายที่นั่นไม่เลือกสถานที่ 31 ยาว่าแต่คนเราธรรมดา มีพระศาสดาเอกในโลกยังดับขันเข้าสู่นิรพานเราท่านทั้งหลายจะไม่แตกไม่ตายนั้นเป็นไปไม่ได้ไม่ต้องอวดดีถ้าอวดดีแล้วจะตายทิ้งเปล่า 32 ผู้ปฏิบัติทั้งหลายเมื่อมีกําลังจิตกําลังกายมันเป็นไปเองเพราะว่าจิตนี้ท่านเปรียบเหมือนอย่างว่าเป็นนายรูปกายนี้เหมือนเป็นบ่าว เหมือนบ่าวไพร่ราษฎรสุดแท้แต่เจ้านายจะใช้ทําอะไรก็ได้ทั้งนั้น 33 นอกจากดวงจิตดวงใจที่รู้อยู่นี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งอื่นนอกจากจิตใจนี้ออกไปทั้งหมดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทั้งเพไม่ใช่ตัวตนของเราของเขาไม่ใช่ใครจะมาบังคับบัญชา 34 ดวงจิตผู้รู้สึกภาวนาอันนี้แหละ ที่เราจะต้องภาวนาจะต้องชําระแก้ไขจิตใจดวงนี้ถ้ามีความสงสัยอยู่ในจิตในใจก็ละความสงสัยนี้ออกไปด้วยการภาวนามรณกรรมฐานเพียรเพ่งลงไปในจิตผู้รู้นี้ 35 คนทําบุญรักษาศีลคนภาวนาเรียกว่ากุศลกรรมทําดีทําบุญได้บุญตลอดเวลา บุญนี้ก็ให้ผลแก่ตนตั้งแต่ทําแล้วต่อไปทีเดียว 36 คนทําบาปได้ชื่อว่าธรรมอกุศลกรรมคนทําบาปนี้ก็ให้ผลเหมือนกันตั้งแต่ปัจจุบันทั้งต่อไปทําบาปนี้มันเดือดร้อนเมื่อภายหลังเมื่อทําบาปอกุศลที่ตนทําไม่ดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตด้วยใจแล้วมันให้ผลร้อนในจิต จะพูดจากปราศัยอะไรก็มีแต่เรื่องทุกข์เรื่องร้อนจะทําสิ่งใดก็เป็นไปในทางทุกข์ทางร้อนนี่แหละท่านว่ากรรมไม่ดีพระพุทธเจ้าสอนให้ละให้ละกรรมชั่วเสียแล้วตั้งใจทํากุศลกรรมจะ 37 จะมาสงสัยในทานในศีลในภาวนาทําไมเล่าจะมัวสงสัยอยู่ไม่ภาวนา ความสงสัยนั้นก็ไม่ตกออกจากจิตใจละความสงสัยไม่ได้ก็เพราะจิตใจไม่สงบไม่เห็นแจ้งในจิตเสียก่อนจะไปเลิกละที่ไหนมันก็สงสัยเรื่อยไปในจิตนั้นผู้ปฏิบัติธรรมที่แท้จริงแล้วท่านละความสงสัยได้ภายในจิตใจผู้รู้อยู่นี่เอง 38 จะภาวนาบทใดพิจารณาข้อไหนอย่างไร มันแล้วแต่อุปนิสัยวาสนาบารมีของตนบำเพ็ญมาแล้วในอดีตกาลแล้วมาปัจจุบันกาลเดี๋ยวนี้ขณะนี้เราเจริญสมาธิบทนั้นสิ่งนั้นข้อนั้นจิตใจของเราซาบซึ้งตื่นใจก็ให้จับอุบายนั้นมาภาวนา 39 ในสมัยพุทธกาลสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนอยู่นั้น มนุษย์ในสมัยนั้นท่านบำเพ็ญภาวนาจริงๆทั้งคฤหัสถ์ศรัทธาญาติโยมก็ภาวนาจริงๆสําเร็จเป็นพระโสดาก็มากมายเป็นสักกิทาคาก็มากมายเป็นพระอรหันต์ถีนาสพก็มากมายนับเป็นกดโกฏล้านๆพร้อมทั้งมนุษย์เทวดามารพรหมในสมัยนั้นท่านภาวนาละกิเลสจริงๆ40 จิตใจลุ่มหลงมัวเมาดีใจเสียใจโกรธให้สิ่งนั้นต้องมาพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งนั้นมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนไปโกรธทําไมไปโลภทําไมไปหลงทําไมเพราะสิ่งทั้งหลายคนก็ตามสัตว์ก็ตามมีความเกิดขึ้นชั่วระยะกาลหนึ่งแล้วมันก็แตกกลับไปตามธรรมดาอย่างนั้นเอง 41 พระพุทธเจ้าสอนให้ละความโกรธไม่ควรเลี้ยงไว้โกรธอันมีอยู่ในหัวใจของมนุษย์คนเรานี้เปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าคนเราเลี้ยงเสือโคร่งไว้ให้กัดตัวเองกัดบุคคลอื่นนั่นแหละ 42 เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์เอาให้มันเต็มที่อย่าไปกลัวกิเลสมันตายกิเลสนั้นถ้ามันให้ตาย ถ้ากิเลสตายแล้วย่อมอยู่เป็นสุขคนที่ไม่อยู่เป็นสุขก็เพราะฆ่ากิเลสของตัวเองไม่ตายอยอย 43 อย่าไปนิ่งนอนใจลุกขึ้นตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญภาวนาอย่าให้มีความท้อถอยประการใดเมื่อจิตของเราไม่มีความท้อแท้อ่อนแอท้อถอยแล้วความเพียรตั้งลงไปธรรมอันใดปฏิบัติอย่างไรภาวนาบทใดก็ตาม ท่านให้มีความภาคความเพียรเอาใจใส่ในสิ่งนั้นๆตลอดกาลตลอดเวลาทุกขณะทุกเวลาไม่ให้พลั้งเผลอพลั้งเผลอไปแล้วก็แล้วไปตั้งจิตตั้งใจขึ้นมาใหม่ 44 เขาด่าเราเราอย่าไปคิดว่าตอบเขาเขาโกรธให้เราเราอย่าไปโกรธให้เขาเขาตะหนีเหนียวแน่นเราต้องเป็นนักเสียสละสู้ สู้ภายในจิตใจนั้นเมื่อตั้งจิตเจตนาอยู่ในดวงจิตดวงใจผู้รู้นี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างย่อมค่อยเป็นค่อยไปในทางเจริญงอกงามในทางพระพุทธศาสนา 45 ความตายใกล้เข้ามาแล้วเราใกล้เข้ามาแล้วซึ่งความตายไม่ควรประมาทไม่ควรมัวเมาไม่ควรไปดีใจเสียใจกับเรื่องภายนอกเรื่องภายในเป็นเรื่องสิ่งสําคัญ ดวงใจของเรานี่แหละสําคัญกว่าสิ่งใดใดทั้งหมด 46 เราสร้างบ้านสร้างเรือนให้สวยงามหลายชั้นถึง 100 ชั้นกว่าก็มีให้รูปร่างกายหรือว่าเรือนของกายทีนี้เรือนใจไม่มีใจไม่มีเรือนอยู่คือไม่ภาวนาอยู่ทุกขณะทุกเวลาจิตมันก็เร่ร่อนไม่มีบ้านเรือนอยู่เหมือนคนไม่มีบ้านเรือนอยู่แดดออกมาฝนตกก็เปียกทุกมาก เพราะคนไม่มีที่พักพิงอาศัยหลักฐานของตัวเองไม่มีลอยเลื่อนก็มีความทุกข์จิตที่ไม่มีสมาธิจิตไม่มีภาวนาจิตไม่มีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นจิตที่เลื่อนลอยฟุ้งซ่านรําคาญเลื่อนลอยรั่วไหลอยู่ใต้อํานาจกิเลสจิตจึงได้มีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวาย 47 การปฏิบัติบูชาภาวนานี้ เป็นการปฏิบัติภายในเป็นการเจริญภายในพุทโธภายในให้ใจอยู่ภายในไม่ให้จิตใจไปอยู่ภายนอก 48 ทำอย่างไรใจจะสงบระงับมีอุปายอะไรเพราะอุปายไม่ขี้เกียจในหลักให้มีความเพียรจะสู้กับกิเลสราคะโทสะโมหะในใจได้ไปสู้ที่ไหนก็สู้ด้วยความเพียรสู้ด้วยความตั้งใจมั่น เราตั้งใจลงไปแล้วให้มั่นมั่นคงอย่าไผถอย 49 เพียรพยายามฝึกฝนตนเองอยู่เสมอบนแผ่นดินนี้ผู้มีความเพียรผู้ไม่ท้อแท้อ่อนแอในดวงใจไม่ว่าจะทําอะไรย่อมสําเร็จได้ดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นแล้วเราต้องตั้งความเพียรลงไปภาวนาลงไปเมื่อมันยังไม่ตายจะไปถอยความเพียรก่อนไม่ได้ 50 สู้ด้วยการละทิ้งอย่าไปยึดเอาถือเอาเขาว่าให้เราเขาดูถูกเราเสียงไม่ดีเข้าหูก็เพียรละออกไปให้มันหมดสิ้นมนุษย์มีปากห้ามมันไม่ให้พูดไม่ได้มนุษย์มีตาห้ามไม่ให้มันดูไม่ได้มันเป็นเรื่องของโลกท่านจึงตรัสว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นความร้อนความร้อนคือกิเลส กิเลสเหมือนกับไฟไฟมันเป็นของร้อน 51 พุทโธในใจหลงไหลทําไมไม่ต้องหลงไม่ต้องลืมนั่งก็พุทโธในใจนอนก็พุทโธในใจยืนก็พุทโธในใจเดินไปไหนมาไหนก็พุทโธในใจกิเลสโลเลละให้หมดโลเลทั้งตาโลเลทั้งหูโลเลทั้งจมูกทั้งกลิ่น โลเรในอาหารการกินเลิกละ 52 ไม่ต้องไปรอท่าว่าเมื่อถึงวันตายข้าพเจ้าจะภาวนาพุทธโธเอาให้ได้อย่างนี้ไม่ได้เราต้องทําไว้ก่อนเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เป็นต้นไป 53 เราทุกคนดวงใจที่มีชีวิตอยู่ณภายในนี้ ก็อย่าพากันนิ่งนอนใจอยู่ที่ไหนกายกับใจอยู่ที่ไหนก็ที่นั่นแหละเป็นที่ปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่ที่บ้านก็ภาวนาได้อยู่วัดก็ภาวนาได้บวชไม่บวชก็ภาวนาได้ทั้งนั้น 54 วันคืนเดือนปีหมดสิ้นไปแต่อย่าเข้าใจว่าวันคืนนั้นหมดไปวันคืนไม่หมดชีวิตของแต่ละบุคคล หมดไปสิ้นไปมันหมดไปทุกลมหายใจเข้าออกฉะนั้นภาวนาดูว่าวันคืนล่วงไปเราทําอะไรอยู่ทําบุญหรือทําบาปเราละกิเลสได้หรือยังเราภาวนาใจสงบหรือยัง 55 ให้ทานข้าวของวัตถุภายนอกก็เป็นบุญแต่ยังไม่ลึกซึ้งให้ทําบุญภายในใจเป็นบุญอยู่เสมอ ภาวนาพุทโธนึกน้อมเอาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอยู่ภายในนี่แหละบุญภายใน 56 สงบแต่ปากใจไม่สงบก็ไม่ได้ต้องให้ใจสงบสงบใจก็คือว่าเมื่อฟุ้งซ่านรั่วไหลไปที่อื่นก็ให้คอยระวังนึกน้อมสอนใจของตัวเองด้วยว่าความเกิดเป็นทุกข์เกิดมาแล้วเป็นทุกข์อย่างนี้แหละ จะไปเอาสุขที่ไหนในโลกที่ไหนมันก็ทุกข์เท่าๆกันเอาสิ่งเหล่านี้มาเตือนใจตนเอง 57 ทางพระสอนให้ละชั่วทำความดีแต่ก็ไม่ให้ติดอยู่ในความดีให้บำเพ็ญจิตให้ยิ่งขึ้นจนถึงไม่ติดดีติดชั่วจึงจะพ้นจากโลกนี้ไปได้เพราะแม้คุณความดีจะส่งผลเป็นสุขไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เป็นเทพอินทร์พรหมก็ตาม แต่เมื่อกำลังของกุศลกรรมความดีนั้นๆหมดลงก็ย่อมต้องกลับมา 58 ความตายนี้ไม่มีใครหลบลีกได้ท่านให้นึกให้น้อมให้ได้ทุกลมหายใจเข้าไปก็เตือนใจของตนให้นึกว่านี่ถ้าลมหายใจนี้เข้าไปแล้วออกมาไม่ได้เกิดติดขัดคนเราก็ตายได้แม้ลมหายใจออกไปแล้วเกิดอะไรขัดขึ้นมา สูดลมหายใจเข้ามาไม่ได้คนเราก็ตายได้ 59 บทภาวนาบทใดก็ดีทั้งนั้นถ้าภาวนาได้ทุกลมหายใจก็เป็นอุบายธรรมอันดีทั้งนั้นความตั้งใจมั่นในสมาธิภาวนาของจิตใจคนเรานั้นย่อมมีเวลาเจริญขึ้นมีเสื่อมลงเป็นธรรมดาถ้าเรามารู้เท่าทันว่าการรวมจิตใจเข้าเป็นดวงหนึ่งดวงเดียว เป็นความสงบสุขยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงก็ให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยเมื่อใจไม่มีความท้อถอยแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาทําให้เราท้อแท้อ่อนแอได้เพราะคนเรามีใจเป็นใหญ่เป็นประธานสําเร็จได้ด้วยใจทั้งสิ้น 60 ความเที่ยงแท้แน่นอนในโลกนี้จะเอาที่ไหนไม่มีผู้ปฏิบัติจงรู้เท่าทัน รู้เท่านั้นแล้วก็ปล่อยวางอย่าเข้าไปยึดไปถืออย่าไปยึดว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราเราเป็นนั้นเป็นนี้ตัวเราของเราไม่มีมีแต่ธาตุดินน้ําไฟลมมีแต่หลักอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งโลกพุทธาจารวาท หลวงปู่ศิษย์พุทธาจารูจัดทําขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นสังฆรัตนะบูชาตะวันคําสุจริตบรรยายเรียบเรียงท่านสามารถติดตามชีวประวัติปฏิปทาคติธรรมคําสอนของพระบุรพาจารย์พระป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้ที่ www.burapachan.com